วันนี้เป็นวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2องหรถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่วัดบ้านหน้าคำน้อยของพวกเราที่พวกเราได้ เ, เ, เจ้าภาพก็คื อ, อ, อคุณจริยาพรจริยาพรวงศรีอุดมลาบพร้อมครอบครัวลูกหลาน บริษัทบำรุงโครเมียมจำกัดผลมาร่วมสร้างโบสหลังนี้วันนี้เป็นวันมงคลที่ว่าวันยกช่อฟ้าถือว่าเป็นการยกช่อฟ้าของโบสถนั่นก็ถือว่าเป็นวันสําคัญการก่อสร้างพอเราจะยกขึ้นบนหลังคาเสร็จแล้วเราก็จะมุงลงมาก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปอีกจากนั้นพวกเราก็ตกแต่งลงมาข้างล่างเรื่อย คงจะมีพิธีกรรมอีกหลายอย่างจะมีการสมทบทุนเพื่อสร้างโบสถ์หลังนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลคณะสถาญาติโยมลูกหลานการสร้างโบถสโบถ์สร้างวิหารในครั้งพระพุทธเจ้ามีไหมมีอาณาถามิณฑิทแห่งก็สร้างวัดวาศาสนานางวิสาขาท่านก่สร้างวัวดบุพผาลามสร้างอาคารขึ้นมาใช้เวลาเก้าเดือนนะ ใช้เวลาเก้าเดือนสร้างอาคารพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ได้สวรรค์เฉลเฉวยและฉันพระพัตยาปกยาหารที่น่าที่บุพผาลามของนางวิสาขาแต่นี้พวกเราสร้างโบสถ์ขึ้นมาก็เพื่อทำสังฆกรรมของพระสงฆ์พระสงฆ์ในวัดนี้หรือในที่อื่นก็ตามะตะมาลงอโบสถสังฆกรรมเราจะมาบวชพระบวชนา มีหลายๆอย่างในโบสถ์หลังนี้ทําสังฆกรรมได้สัมถ ก, กรรมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราได้น้อมได้นําทรัพย์มาเพื่อสร้างให้พระสงฆ์ได้ทําสังฆกรรมและวก็ได้บวชพระไว้ในพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลอันสืบเนื่องยาวนานทีเดียวจนกว่าโบสถ์หลังนี้จะผุพังไปนั่นแหะใช้เวลาถ้าว่าเรารักษาดีก็เป็น ถึงร้อยปีทีเดียวละโบสถ์หลังหนึ่งเพราะโดยมากมันเป็นแต่มีแต่คอนกรีตมีแต่ปูนสร้างด้วยความแข็งแรงเพราะนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะคณนะสธา ญ, ญาตโยมพวกผู้ที่เริร่เริ่มอสร้างก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสมบัติของตระกูลทีเดียวพวกเราคิดนึกคิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็ภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานเพราะว่าเราได้สร้างท้าวอนไว้ในพระพุทธศาสนา เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้กเกิดมาในพบพพระพุทธศาสนาทั้งทีชีวิตพวกเราก็ไม่มีอะไรจะทดแทนพระคุณของพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรจะทดแทนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้เราพวกพวกเราก็ได้ร่วมรวมกันทั้งญาติพี่น้องทั้งญาติโกขอติกาในแถบในโลกแวกนี้ในชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกัน สร้างโบสถ์สร้างวิหารขึ้นมาสร้างโบสถ์ขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระพุทธศาสนาให้ประสงค์ทางหลายได้ทำสังฆกรรมเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนานเท่านานแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราถ้าหากว่าพวกเรายังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารยังเวียนไหวตายเกิดอยู่บุญกุศลเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องเกือ้อกูลหนูนเราไปเกิดในภพภูมิใดก็เป็นภพภูมิที่ จเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ไปที่ไหนนะลูกหลานนะ่บุญกุศลจะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราบุญกุศลนั่นแหละจะพานําพวกเราไปสู่ประโลกภายภาคหน้าพวก พ, พวกเราด้นนได้นับถือพระพุทธศาสนาในนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูนะ่เน้อ ลูกหลานนะ่าให้ศึกษานะอย่าไปคาดคะเนนอย่าไปเดาอย่าไปประมาณการอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูจะไปคิดว่าเฉยๆต้องพิสูจน์การพิสูจน์คือนั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจรวมสง บ, บลงเป็นหนึ่งแล้วนะพวกเราจะไม่ถามใครเหมือนกับเราทานอาหารเข้าไปในท้องของเราเราอิ่มหรือไม่อิม่มไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราในเมื่อเรากินอิ่มแล้วคนอื่นว่าไม่อิม่ม ตัวเองนี่รู้ลวอิ่มถ้าเรายังหิวอยู่คนบอกเอออิ่มแล้วล่ะเขาเขาว่าเขาเขาประมาณการแต่เรายังไม่หิแต่เรายังไม่อิ่มเรารู้นะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นะบุญกุศลเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ด้วยตนเองเรานั่งภาวนาจิตใจของเราสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วนะเราเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสุขเพราะนั้นเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดเราจึงสร้างบุญสร้างกุศลนะ แต่ถ้าว่าเราคิดว่าตายแล้วสูนย์เราจะทำทำไมไม่จำเป็นจะต้องออมาเสียเงินเสียทองมาทุกข์ยากลำบากอย่างนี้แต่เราคิดว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วเกิดบุญกุศลที่จะพานำพวกเราไปสู่ประโลกภายภาคหน้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเมื่อเราตายไปพูดง่ายเมื่อเราตายไปบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองสำหรับพวกเราเจะพาเรานำพาเราไปสู่สุขติ ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเราไปได้ทีนไปได้ทั้งหมดแ่ละแต่เราเท่าเราทำบาปบาปพระกุศลจะเป็นเพื่อนสองของเราอีกเหมือนกันจะพาเราไปนําไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นคนหูหนวกตาบอดไปได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะบาปพรกุศลพาไปเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายเนาะให้ศึกษาธรรมะจุดนี้นะ เพราะพวกทวเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกพวกกิตตภาวนานะอย่งสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่ท่านอยู่ในป่าตรงพงไพ่อย่างหลวงพ่อนี่กําเถอะนะหลวงพ่อกำมั่นใจเกินพันเหือไม่ใช่ร้อยเปซนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดพอหลวงพ่อได้นั one wrote, one ่งภาวนา ه, จิตใจผ่านความสงบมาแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองทันทีไม่ว่าใครฮะไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าใครถ้าจิตใจผ่านความสงบแล้วจะรู้ได้ว่ากายกับใจกายใจกับกายมันเปรียบเทียบได้ชัดเลยว่าเหมือนกับรถร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถเห็นได้ชัดขนาดนั้นแหะเพราะนั้นจึงยืนยันคู่บ่ายการทั้งหลายจึงยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่นอนนะลูกหลานนะจะตั้งอยู่ในความประมาทนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไว้นะ ถ้าเมื่อเราเมื่อเราออกจากร่างนี่แล้วเราตายไปแล้วนะ่ะบุญนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของใจจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปเกิดในสถานที่มีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บาปอากุศล น, นั่นแหละคนทําไม่ทำบาปมันก็ต้องทาบุญไม่คนไม่ทาบุญมันก็กลับไปทาบาปนะทำบาป <c oughs> ทำบาปโดยประยายนะ เ, เพราะว่าเราไม่เชื่อเราก็ต้องทำไ้ทุกอย่าง เพรเราตายไปแล้วกันนะครับาปเป็นเพื่อนสองของเราพาไปตกนรกพาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปได้ทั้งนั้นแหละคนหูหนวกตาปอดคือบาปบาปพาไปเกิดนีบาปพาเป็นพาไปบุญกุศลพาไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกายสุขใจเน้อพี่น้องหลูกหลานน้อถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จ้ารุโมทนาให้พรนะท่านีน้ารับพรน้าแล้วก็พร้อมการพวกเราที่มาทําบุญโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเจ้าภาพ ด้มาทำบุญวันนี้ก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศ์สาคณาญาติมิตรสหายทุกคนน่ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่มาที่มาสร้างบุญสร้างกุศลที่ยกช่อฟ้าในวันนี้นะ